สวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกๆท่านด้วยนะคะพบ ก, กันกับเรื่องราวแปลกๆแล้วก็เรื่องราวลึกลับค่ะที่เรานำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำที่นี่นะคะทางช anel บน YouTube ของเราอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้กับบีด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราได้อยู่คู่กับคุณผู้ฟังไปนานๆด้วยนะคะวันนี้บีมีเรื่องราวค่ะเรื่องราวที่เรียกว่าไปพบเจอกันกับสิ่งลี้ลับ ไปพบเจอกับเรื่องราวแปลกๆที่เชียงของนะคะจังหวัดเชียงรายค่ะเรื่องนี้ผู้ที่เล่านี้เนี่ยขอสงวนชื่อไว้นะคะไม่บอกชื่อค่ะบอกว่าเป็นคนอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายแล้วก็มีแฟนอยู่ที่เชียงรายด้วยคือคบกันมาก็สิบปีแล้วนะคะและก็ตัวของผู้เล่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะเป็นครูสอนอยู่ที่จังหวัดลำพู น, นะคะ่ะเช้าวันนั้นนะคะก็เป็นวันจันทร์ของเดือนตุลาคม ซึ่งขณะที่กำลังเท้าแถวเคารพธงชาติอยู่ที่โรงเรียนแฟนก็โทรมาบอกแล้วก็ร้องห่มร้องไห้บอกว่าพ่อเนี่ยเสียชีวิตแล้วก็เลยต้องกลับบ้านควบรถอย่างไวฮะจากจังหวัดลำพูนไปที่อำเภอเชียงของนับเวลาได้ก็ประมาณ5ชั่วโมงค่ะคุณพ่อของแฟนเนี่ยเป็นลมค่ะเป็นลมในห้องน้ำ ญาติญาติพาส่งโรงพยาบาลไม่ทันโดยหมอบอกว่าหัวใจห้องข้างล่างซ้ายพริ้วไหวตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะเคยได้ยินการตายในลักษณะนี้ซึ่งโดยส่วนตัวเองนะคะก็ไม่ได้สนิทกับพ่อของแฟนเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นผู้ชายเหมือนกันแล้วก็ไม่ได้เป็นคนคุยเก่งเหมือนกันแต่ก็คุยกันบ้างเป็นบางครั้งนะคะปีหนึ่งก็จะเจอพ่อของแฟนเขาเนี้แค่2ครั้งก็คือช่วงสงกรานต์แล้วก็ช่วงสิ้นปี วกกลับมาเรื่องของงานศพกันต่อนะคะทีนี้เนี่ยคือเพิ่งจะรู้ว่างานศพเนี่ยมันไม่เหมือนงานอื่นๆเช่นงานขึ้นบ้านใหม่งานแต่งงานหรือว่างานวันเกิดคือมันเศร้าปกติแล้วนะคะเป็นแขกค่ะโดยเจ้าของเรื่องเนี่ยเป็นแขกก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากมายแต่ว่าพอมาเป็นเจ้าภาพด้วยตัวเองนี่คือแบบแทบอยู่ไม่ได้ มันมีแต่เพลงเศร้ามีแต่น้ำตากลางคืนก็ไม่ได้หลับค่ะมีคนอยู่เต็มบ้านทั้งร้องเพลงเล่นไพ่เฮโลคือคงแบบประมาณว่าไม่อยากให้ลูกหลานเหงาประมาณนี้ก็ตั้งใจอยู่ในงานที่บ้านตลอดนะคะทั้ง3ามคืนจนถึงวันเผาค่ะแล้วก็ในวันเผาเนี่ยคนก็จะเยอะกว่าปกติพี่เอค่ะที่มาจากจังหวัดลำพูนก็เริ่มทักบอกว่านี่ตาเนี่ยเหมือรอยหน้าซีดเหมือนไม่แข็งแรงนะเหมือนจะไม่มีแรงนะ แต่ว่าเจ้าของเรื่องเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากนะคะก็เออบอกว่าผมปกติดีพี่จนถึงตอนเดินไปส่งศพที่เมนเผาศพค่ะแล้วก็ทําพิธีที่เมนเผาศพเสร็จเรียบร้อยโดยก่อนที่จะออกจากเมนเนี่ยเขาก็จะมีถังใส่น้ําส้มป่อยให้เราได้ชําระล้างตัวแล้วก็ป้องกันผีเนี่ยตามเรามาด้วยเขาเชื่อกันแบบนั้นด้านทางด้านภาคเหนือค่ะแต่ว่าตัวของเจ้าของเรื่องเองเนี่ยก็ไม่ได้ทําเพราะว่าเขาไม่รู้เรื่อง แล้วก็ในคืนนั้นเองค่ะที่เกิดเรื่องหลังจากไปส่งศพเสร็จทางบ้านแฟนก็กลับมาเคลียร์สถานที่ที่บ้านพร้อมกับส่งแขกที่มาจากต่างจังหวัด ส่วนตัวของเจ้าของเรื่องเนี่ยก็ไปทําทุระที่ตัวเมืองเชียงของค่ะพอตอนกลับประมาณสองสาทุ่มก็ขับรถมาตามถนนปกติแต่ว่าเอ๊ะทำไมยิ่งขับยิ่งไม่ใช่ถนนเดิมที่ตัวเองเคยมาก็ไม่รู้ว่าจะอธิบายยังไงนะคะคือถนนที่เราเคยขับมาตลอดหลายปีมันชินหูชินตาไปหมดแต่ว่าในคืนนี้เนี่ยคือมันแคบต้นไม้เยอะไม่คุ้นเหมือนกับหลงอยู่ในป่า ก็เลยกลับรถขับย้อนสอนมาทางเดิมแต่มันก็ไม่คุ้นก็เหมือนหลงอยู่ในป่าเหมือนเดิมจนเริ่มไม่ปกติแล้วค่ะใจสั่นมือสั่นหน้าซีดแล้วก็มีอาการวูบเป็นพักๆเหมือนคนง่วงนอนก็เลยต้องจอดข้างทางแล้วก็ร้องไห้คิดได้อย่างเดียวเลยว่าพ่อแฟนผมเนี่ยเล่นผมซะแล้วเขาอาจจะไม่อยากอยู่เมนเผาศพก็ได้แล้วก็กำลังหาทางกลับบ้านอย่างที่ผมหาทางออกนี่แหละผมหาทางออกที่หาทางไม่เจอเกือบชั่วโมงกว่า แต่ก็ไม่เจอสักทีจนต้องใช้วิธีสุดท้ายคือโทรหาแฟนแล้วก็บอกแฟนไปเลยบอกอยากกลับบ้านให้บอกว่าพ่อเนี่ยเลิกทำแบบนี้ซะแล้วพาผมกลับบ้านด้วยอีกไม่นานค่ะแฟนก็เลยอธิษฐานก็คงบอกพ่อแฟนเล่าให้ฟังทีหลังนะคะบอกว่าให้พาผมกลับบ้านซะสิ่งที่ไม่น่าเชื่อก็กคือถนนที่สองข้างทางเนี่ยมีแต่ป่ามืดแล้วก็เงียบอยู่ๆมันก็สว่างขึ้นค่ะเป็นถนนเดิมที่เราเคยผ่านมาตลอด เมื่อเห็นดังนั้นเนี่ยก็รีบขับรถกลับเข้าบ้านทันทีค่ะแล้วก็โดยปกติแล้วนะคะพ่อของแฟนเนี่ยก็จะเป็นคนราศีกุมซึ่งตรงกันกับเจ้าของเรื่องก็สงสัยอาจจะเป็นเพราะเหตุนี้เขาก็เลยม า, าเข้าได้ง่ายหรือว่ามาครอบงำได้ง่าย พอขับรถมาถึงบ้านค่ะก็เปิดประตูรถลงมาคนแรกที่มาหาคือแม่แฟนและเมื่อเจอแม่แฟนเท่านั้นแหละค่ะร้องห่มร้องไห้พร้อมพูดไม่เป็นภาษาพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องแต่ว่าจำเหตุการณ์ไม่ได้น ะ, ะแต่ว่าจำความรู้สึกได้คือความรู้สึกตอนนั้นมันผูกพันกับผู้หญิงคนนี้มากอยากกอดอยากหอมแก้มไม่อยากจะจากเขาไปแล้วก็ยิ่งมองหน้าเขาเนี่ยน้ตายิ่งไหลลงมา ทุกคนที่อยู่ในบ้านก็เริ่มคิดแล้วล่ะค่ะว่ามันคงจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติละเพราะว่าปกติเนี่ยตัวของเจ้าของเรื่องเองแทบจะไม่คุยกับพ่อแม่แฟนเลยคือไม่ใช่ไม่ถูกกันนะแต่ว่านิสัยคือไม่ค่อยพูดกับผู้ใหญ่แฟนก็เลยพาเข้าไปนั่งในบ้าน สิ่งที่ทำก็คือจ้องหน้าแม่แฟนค่ะไม่ว่าแฟนจะลุกจะนั่งจะเดินไปทางไหนก็จ้องดูตลอดจ้องไปด้วยร้องไห้ไปด้วยส่วนคน อ, อื่นๆในบ้านนี่ก็เฝ้าดูเหมือนกันว่าตัวของเจ้าของเรื่องเนี่ยจะทำยังไงต่อไปหลังจากนั้นสติก็เริ่มกลับมาแล้วก็เริ่มจำได้ก็เลยบอกแฟนว่าผมจะไปอาบน้ำนะแฟนก็เลยเข้าไปเฝ้าในห้องน้าด้วยก็คือเขาคงเป็นห่วงะนะคะเพราะว่าพ่อแฟนที่เสียชีวิตเนี่ยแกเป็นลมในห้องน้านี้ แต่ว่าตอนแรกนี่ไม่ยอมนะบอกแฟนว่าโอเคแล้วปกติดีแต่แฟนก็ยังยืนยันคําเดิมค่ะบอกว่าจะขอเข้าไปด้วยยังไงก็ไม่ยอมให้อาบน้ำคนเดียวซึ่งก็โชคดีมากค่ะที่เขาเนี่ยเข้ามาเฝ้าเพราะว่าหลังจากที่เข้าห้องน้ำแล้วก็เปลี่ยนเป็นอีกคนนึงเลยคือห้องน้ำมันกว้างมากแล้วก็จะมีพวกสบู่แชมพูหลายยี่ห้อค่ะเป็นของญาติญาติที่มางานศพด้วยกันสิ่งที่ทาให้แฟนขนลุกคือ เดินไปหยิบสบู่นกแก้วคือสบู่ที่ตัวของเจ้าของเรื่องเองเนี่ยไม่ค่อยชอบใช้ที่บ้านที่ลำพูนก็ไม่มีส่วนจะใช้ยี่ห้ออ่าส่วนใหญ่จะใช้ยี่ห้ออื่นนะคะคนที่จะใช้ไม่มีคนเดียวคือพ่อแฟนแฟนบอกว่าถ้าทางที่อาบน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ตัวของแฟนแต่มันคือตัวของพ่อและเสียงตอนอยู่ในห้องน้ำก็เป็นเสียงของพ่อเหมือนกันไม่ใช่เสียงของผมเขาบอกแบบนี้ มารู้สึกตัวอีกทีหนึ่งก็คือนอนอยู่บนที่นอนแล้วส่วนเรื่องในห้องน้ําเนี่ยตอนนั้นคือจําอะไรไม่ได้เลยนะคะรู้สึกตัวได้แป๊บเดียวก็วูบอีกแฟนเล่าว่าตอนที่นอนอยู่เนี่ยก็ได้แต่มองหน้าแม่แฟนแล้วก็ร้องไห้อีกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยฟูมไฟหนักกว่าเดิมค่ะคลานไปหาแม่แฟนไปกอดไปหนุนตักเอามือลูบท้าของแม่แฟนแล้วก็ลูบไปด้วยร้องไห้ไปด้วยแม่แฟนก็บอกว่าอาการแบบนี้คืออาการของผัวแกเลยเมื่อก่อนตอนจีบกัน พ่อแฟนก็ชอบนอนหนุนตักแล้วก็รูปเท้าแบบนี้เรื่องนี้ไม่มีใครรู้นะคะแฟนก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าแม่แฟนไม่เคยเล่าให้ฟังแม่เขาก็ตกใจค่ะไม่รู้ว่ า, ามีใครรู้หรือเปล่าแต่ว่าก็เชื่ออยู่นะคะว่าไม่มีใครรู้หรอกแต่ทำไมผมทำได้เหมือนมากมสักพักหนึ่งเนี่ยก็มีผู้ชายแก่แต่ว่าไม่ใช่หมอผีนะคงจะประมาณแบบปู่จ๋า เป็นคนที่มีคาถาอาคมเข้ามาหาเขาก็มาเพื่อที่จะสื่อสารกับพ่อแฟนโดยผ่านตัวของเจ้าของเรื่องนี่แหละนะคะ ปู่คนนั้นมาก็บอกว่าเนี่ยผมเนี่ยโดนพ่อแฟนเข้าจริงแต่เข้าไม่หมดเพราะว่าพ่อแฟนผมไม่มีแรงผมก็เลยเป็นพ่อแฟนสักพักหนึ่งและอีกสักพักก็กลับมาเป็นผมเป็นแบบนี้สลับไปมาทั้งคืนจะพูดจะคุยจะสั่งเสียแม่แฟนก็ทําไม่ได้เพราะว่าแรงไม่พอก็เลยเอาแต่จ้องหน้าจ้องตาแล้วก็ร้องไห้แต่ว่าตอนอาบน้ําอยู่ในห้องน้ําเป็นจุดที่พ่อแฟนเสียชีวิตพอดีตรงนั้นเนี่ยพลังงานก็เลยสูงก็เลยกลายเป็นพ่อแฟนเต็มๆ เ, มเมฉพาะในห้องน้ํานะคะสุดท้ายก็นอนหลับ ภาพสุดท้ายก่อนหลับก็คือหน้าของปู่จันคนนั้นเนี่ยกำลังท่องคาถาใส่ตื่นเช้ามาก็จำอะไรไม่ได้เลยเดินออกไปนอกบ้านก็มีแต่คนมองแปลกๆมีคนแซวด้วยนะว่าเมื่อคือนเนี่ยจะไปปล้ำแม่ยายเหรอก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นแฟนก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังค่ะ ตัวของเจ้าของเรื่องบอกตกใจมากเขินด้วยไม่กล้าจ้องหน้าแม่แฟนตลอดทั้งวันและนี่คือประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาแล้วก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆก็ไม่รู้ว่าน่ากลัวหรือว่าถูกใจคุณหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เล่ามาผมยืนยันจากตัวเองจริงร0 0เซแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่ยังหาคำตอบไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องความฝันเอาไว้ถ้าอยากจะฟังก็ยินดีจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่ตอไปนะคะ มีเรื่องราวแปลกๆอีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังเป็นเรื่องจริงที่เคยออกอากาศทางช่อง3ในรายการตีส0นะคะเป็นประสบการณ์ลี้ลับที่กลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะได้ไปเจอมาที่ภูกระดึง เรื่องเกิดขึ้นจากการที่พวกเขาเนี่ยนัดกันไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปพักแรมที่ภูกระดึงค่ะตอนก่อนเดินทางไปเที่ยวคุณยายของรุ่นพี่ในกลุ่มท่านก็ได้เตือนไว้บอกว่าให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาตามประสาผู้ใหญ่ที่เป็นห่วงลูกหลานน่ยนะคะแต่ว่าพอมาถึงที่ภูกระดึงค่ะพวกเขาก็ไม่ได้นึกถึงคำพูดของคุณยายนะคะที่บอกกันไปแล้วก็ไม่เคยมีใครมาเที่ยวภูกระดึงก่อนด้วย หนึ่งในนั้นชื่อบอยค่ะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องอาถรรพ์แล้วก็เป็นคนที่พูดจาผงผางพูดจาไม่ค่อยดีนักตามสไตล์วัยรุ่นหําหามทั่วไปหยาบคายบ้างท้าทายบ้างเพื่อนห้ามก็เหมือนยิ่งยุเพื่อนก็เลยบอกว่าเขาพูดหยาบมากๆจนไม่สามารถพูดออกอากาศได้ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวบนภู ก, กระดึงวันแรกเนี่ยคุณบอยก็พูดจาแบบขนองปากไปเรื่อยค่ะแล้วกลุ่มของพวกเขาก็หลงป่าคือเข้าใจว่า ช่วงเที่ยวกลุ่มน้ำตกกัะ น, นะคะหาทางออกไม่เจอเป็นเวลานานพี่ใหญ่ของกลุ่มก็เริ่มไม่สบายใจเป็นคนเดียวกันกันกบที่ยายบอกให้ไหว้เจ้าที่ก็เลยยกมือไหว้ต้นไม้ใหญ่ที่สุดในบริเวณนั้นด้วยความเข้าใจเองว่าจะต้องขอขมาเจ้าที่เจ้าทางและหลังจากขอขมาแล้วเดินต่อสักพักหนึ่งเขาก็เห็นไม้สีแดงเป็นลักษณะไม้งอม้วนเข้าคล้ายกับไม้เท้าเขาก็เข้าใจเอาเองอีกนะคะว่าปลายไม้เนี่ยชี้บอกทางออกแล้วก็ตัดสินใจเดินตามทางนั้นโดยเก็บเอามา ้ชิ้นนั้นขึ้นมาด้วยสักพักหนึ่งก็เดินพ้นออกมาจากป่าจริงๆเมื่อพ้นออกมาจากป่าได้แล้วก็เดินเที่ยวต่อเพื่อที่จะไปที่ผาหล่มสักค่ะเมื่อถึงผาหล่มสั ก, กยังไม่เย็นมากก็เลยนั่งนั่งนอนนอนพักผ่อนรอชมพระอาทิตย์ตกดินบริเวณนั้นกัน ในตอนนั้นก็มีนักท่องเที่ยวกลุ่มอื่นอีกหลายกลุ่มค่ะที่มีจุดประสงค์เดียวกันนะคะบ้างก็ถ่ายรูปบ้างก็พักผ่อนด้วยความที่เป็นผู้ชายล้วนแล้วก็ด้วยความคึกขนองของบอยเขาก็ตะโกนเสียงอันดังบอกว่าออกไปที่ผาเพื่อจะฟังเสียงสะท้อนกลับมาในตอนนั้นเนี่ยบอยรู้สึกว่าเหมือนมีคนจ้องมองมาที่เขาอย่างเคืองเคืองเขาก็เข้าใจว่าเป็นวัยรุ่นอีกกลุ่มบริเวณอื่นนะคะเขาก็เลยถามเพื่อนๆว่ามีกลุ่มไหนมองเข้าไหมเพื่อนต่างก็บอกไม่มีใครมอง ทีนี้เมื่อชมพระอาทิตย์ตกดินแล้วพวกเขาก็ใช้เส้นทางเรียบผากลับมาที่ทําการด้วยเหตุที่พวกเขาไม่มีใครเตรียมไฟฉายไปด้วยแล้วก็ไม่เคยมาก็เลยพยายามเดินกันเป็นกลุ่มตรงกลางเพื่อหวังจะอาศัยแสงไฟแล้วก็เดินตามกลุ่มอื่นๆนะคะแต่ว่าเมื่อเดินไปเรื่อยๆค่ะแสงไฟจากนักท่องเที่ยวกลุ่มหน้าก็ค่อยๆห่างออกไปทุกทีทุกทีพวกเขาก็เร่งฝีเท้าเพื่อตามให้ทันปรากฏว่าตามไม่ทันแสงจากกลุ่มหน้าหายไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ เมื่อหันไปด้านหลังก็ไม่เห็นกลุ่มอื่นที่ตามมาเลยก็มีเหลือพวกเขาอยู่แค่กลุ่มเดียวก็เลยรีบเดินให้เร็วขึ้นเดินจนถึงร้านค้าระหว่างทางก็เลยถามทางกลับแล้วก็ขอซื้อเทียนได้มาสองเล่มเพราะว่าที่ร้านเนี่ยเหลือเพียงแค่นั้นและที่ร้านค้าก็แนะนำให้เดินทางลัดเพราะเห็นว่าดึกแล้วแล้วก็เข้าใจว่าเป็นเส้นทางผานาน้อยองค์พุทธเมตตาพวกเขาก็เลยเดินกลับทั้งกลุ่มเลยนะคะ ตอนแรกก็เดินเรียงหน้ากระดาน4ี่คนค่ะพอเดินไปทางก็แคบลงแคบลงจนพวกเขาต้องเดินเรียงเดี่ยวโดยให้คนแรกเนี่ยถือเทียนหนึ่งเล่มแล้วก็คนสุดท้ายอีกหนึ่งเล่มคุณบอยเป็นคนที่อยู่รั้งท้ายสุดค่ะตลอดทางพวกเขาจะมี จ, จะมีการนับ1 1ถึงสิเป็นระยะเพราะว่ามืดมากเผื่อใครหายจะได้รู้เส้นทางก็ค่อยๆลาดต่าลง หญ้าสองข้างทางสูงเกือบจะท่วมหัวหมอกก็ลอยต่ําเรียดพื้นมองไปข้างหน้าก็เห็นเพียงท้องฟ้าที่มืดมิดนะคะพอมองต่ํากว่ายอดไม้ก็เห็นเพียงสีดําสนิทระยะการมองเห็นเพียงรัศมีแสงเทียนเท่านั้นแต่ว่าในระหว่างที่เดินทางอยู่เนี่ยค่ะทุกคนก็รู้สึกว่ามีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นตลอดบางคนก็รู้สึกเหมือนมีคนวิ่งเอามือระต้นหญ้าข้างทางผ่านพวกเข้าไปแต่ว่าก็ไม่มีใครกล้าทักค่ะ พอเดินไปเรื่อยๆเพื่อนที่เดินนําหน้าอยู่หน้าของบอยเนี่ยนะคะก็กระซิบว่าเห็นคนบอยก็ตบหัวเพื่อนพร้อมบอกคนที่ไหนไม่เห็นมีเลยแต่ว่าหลายคนเล่าว่าเห็นเหมือนคนเลยนะคะตัวดําตัวใหญ่มากนั่งยองๆกอดเข่ามองพวกเขาอยู่ข้างทางห่างไปไม่ไกลามากระยะเพียงพ้นแสงเทียนค่ะจะเห็นจากหางตาเพราะว่าไม่กล้าหันหน้าไปมองและทีนี้ก็เดินไปสักพักหนึ่ง บอยก็รู้สึกเหมือนมีคนเนี่ยมาหายใจรดต้นคอแล้วก็รู้สึกแน่นที่หน้าอกมากๆพวกเขาก็เลยเดินไปจนถึงทางสามแพร่งก็ปรึกษากันว่าจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาดีแล้วก็เริ่มนับเพื่อให้ตรวจสอบเพื่อนว่าครบหรือเปล่านับได้9้าค่ะแล้วก็เงียบไปไม่มีเสียงขานตอบรับของบอยตอนแรกนึกว่าบอยกแกล้งแต่พอมองหาไม่เจอค่ะพวกเขาส่วนหนึ่งก็เลยรีบวิ่งย้อนกลับไปเส้นทางเดิม แล้วก็พบบอยเนี่ยนอนหงายอยู่ข้างทางในลักษณะที่ตั้งแต่เอลลงไปอยู่ในป่าส่วนท่อนบนเนี่ยอยู่บนทางเดินเหมือนมีคนเนี่ยลังลากนะคะโดยดึงขาของเขาเข้าไปในป่าเพื่อนๆนก็ช่วยกันดึงไว้แล้วก็ร้องเรียกพวกที่เหลือพวกที่ตามมาก็วิ่งเตะรากไม้ได้แผลกันไปคนนึงตอนนั้นคุณบอยเองก็มีอาการกระตุกตาเหลือกตัวแข็ง พวกเพื่อนๆก็ตกใจค่ะช่วยกันบีบนวดแขนขาต่างก็รู้สึกว่าตัวของบอยนี่แข็งมากแข็งไปทั้งตัวเลยบีบไม่ลงไม่ยุบเลย <c oughs> พวกเขาก็เลยพยายามหามบอยโดยคนหนึ่งเนี่ยช้อนใต้แขนไว้ทั้งสองคนอีกคนยกขาแล้วก็เดินไปค่ะคนแรกยกไม่ขึ้นรู้สึกหนักมากพอยกขึ้นแล้วก็อยู่ในระหว่างที่เดินคนที่อยู่หน้าสุดก็ร้องบอกว่าเห็นงูอยู่ข้างหน้าทุกคนเห็นงูเหมือนกันทั้งหมด9คนค่ะยกเว้นบอยที่ไม่รู้สึกตัวแล้ว แต่ว่าจากงูก็กลายเป็นกิ่งไม้ไปต่อหน้าพวกเขานั่นแหละโดยพวกเขาเองก็ยืนยันว่าตอนแรกเนี่ยคือเห็นเป็นงูจริงๆนะไม่ได้เห็นเป็นตอไม้หรือว่ารากไม้แต่อย่างใดคนที่หามคุณบอยสองคนเนี่ยเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วนะคะทั้งที่คุณบอยเองก็ตัวเล็กนิดเดียวคนหามทั้งสองคนนี่ตัวใหญ่กว่าเยอะค่ะต้องให้เพื่อนมาช่วยกันหามอีกคนนึงเขาบอกว่าบอยตัวหนักขึ้น หามสามคนไม่ไหวบอยก็หล่นลงมาก็มีอาการชักอย่างน่ากลัวตาก็เหลือกไปด้วยแต่ว่าในขณะนั้นเองค่ะเพื่อนก็เห็นแสงไฟเคลื่อนเข้ามาปรากฏว่าเป็นแสงไฟจากรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ ท, ท, ทั้งที่ตอนแรกนี่ไม่ได้ยินเสียงรถเลยคนขับเป็นผู้ชายใส่ชุดทหารพรานสวมมงกพวกเขาก็บอกว่ามีคนเจ็บให้ช่วยหน่อย นะ ค, ะคนที่ขับรถก็บอกว่าให้เอาคนเจ็บเนี่ยขึ้นรถมาเลยแล้วก็ให้คนเนี่ยขึ้นรถมาอีกคนคอยจับคนเจ็บไม่ให้ร่วงรุ่นพี่คนเดิมก็เลยไปประคองบอยแล้วก็ได้เอาไม้สีแดงเนี่ยที่เก็บมาด้วยนีย่ให้รุ่นน้องอีกคนถือไว้ ชายคนขับรถมอเตอร์ไซค์ได้แนะนำให้พวกที่เหลือเดินเลี้ยวขวาที่ทางแยกข้างหน้าเพื่อกลับที่ทําการจะถึงเร็วกว่ารุ่นพี่คนที่นั่งซ้อนท้ายรถไปด้วยก็เล่านะคะว่าเมื่อถึงทางแยกมอเตอร์ไซค์กลับเลี้ยวซ้ายบอกว่าทางสะดวกกว่าและรุ่นพี่ก็ได้เล่าให้คนที่ขับรถไปนี่ยว่าเข า, ามาเที่ยวกันแล้วเพื่อนเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้ อยู่ๆนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคนที่ขับรถอยู่ก็หัวเราะขึ้นโดยมีน้ำเสียงเปลี่ยนไปจากเดิมนี่เสียงใหญ่แล้วก็พูดยันยานนะคะว่ามันไม่เป็นอะไรหรอก ตอนนั้นเขากลัวมากค่ะแต่ก็ขับมาส่งจนถึงบริเวณสะพานไม้หลังที่ทำการเจ้าหน้าที่ที่ขับรถก็บอกให้ประคองบอยไปห้องพยาบาลซึ่งตอนนั้นตัวบอยไม่หนักเหมือนก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเมื่อถึงห้องพยาบาลเจ้าหน้าที่พยาบาลก็ให้ยากินแล้วก็นอนพักส่วนตัวรุ่นพี่ก็เดินไปซื้ออาหารอุ่นที่ร้านค้ามาไว้ให้บอย พอกลับมาถึงบอยก็ฟื้นแล้วแต่ยังงงๆอยู่ค่ะมาพูดถึงเพื่อน8คนที่เดินกลับกันบ้างซึ่งตอนนั้นนี่เทียนดับไปแล้วพวกเขาก็อาศัยแสงไฟจากโทรศัพท์มือถือ ตลอดเวลาที่พวกเขาเดินไปก็เหมือนมีคนตามมาตลอดนะคะแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งโดนผลักตกหลุมถึงสองครั้งโดยเพื่อนทุกคนยืนยันนะะว่าไม่มีใครแกล้งและพวกเขาก็เห็นแสงไฟข้างหน้านะคะเป็นแสงไฟตามบ้านหรืออะไรประมาณนี้แหละพวกเขาก็เลยรีบเดินแต่ยิ่งเดินยิ่งไกลค่ะและแล้วแสงไฟก็หายไปแต่ว่าพวกเขาก็ยังเดินต่อแต่ก็วนมาที่เดิมตลอดจนทุกคนเริ่มกลัวแล้วก็เริ่มลนลานกันค่ะ แล้วก็มีคนเนียยกมืออธิษฐานกับไม้บนบันเจ้าที่เจ้าป่าเจ้าเขาขอให้ถึงที่พักสักทีและไม่นานค่ะเพื่อนคนหนึ่งก็แหวกหญ้าสูงท่วมหัวข้างทางออกมาเจอกับแสงไฟที่ทำการทั้งทั้ ง, ท, งที่ไม่ไกลจากพวกเขาที่หลงอยู่เป็นเวลานานนะคะพวกเขาก็พบกับเจ้าหน้าที่ใส่ชุดทหารสวมโมงสองคนส่องไฟมาทางเขาแล้วบอกว่าเจอพวกมันแล้วตอนแรกก็นึกว่า เพื่อนที่มากับรถเนี่ยบอกให้ออกตามหาแต่ไม่ใช่ค่ะแล้วก็ทหารสองคนก็เดินหายไปไหนไม่รู้แล้วพวกเขาก็มาถึงที่หลังทําการเขามาถึงที่พักกันแล้วแล้วก็จุดทูบขอขมาเจ้าที่เจ้าทางนะคะพอปักทูบลงไปปุ๊บกาลังเดินกลับค่ะบอยก็ออกมาพอดีนะคะโดยที่ไม่มีอาการอะไรเลยพอมาถึงตอนเช้าเท่านั้นแหละนะคะ ก็เล่าว่าหลังจากได้สติเนี่ยตอนที่ล้มลงก็ยังรู้สึกตัวอยู่เห็นว่ามีคนตัวใหญ่หน้าตากโกรธมากมาทำให้ล้มแล้วก็กดหน้าอกเอาไว้ตอนที่เพื่อนๆ น, นี่ยพยายามแบกตัวเขาขึ้นมา พวกเขาได้แต่ถามหาเจ้าหน้าที่ที่มาส่งบอยเพื่อจะขอบคุณปรากฏว่าไม่มีค่ะและพวกเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าไม่มีใครใส่ชุดเต็มยศขนาดนั้นหรอกส่วนแม่ค้าเมื่อได้ยินเรื่องก็ให้ความเห็นว่าเป็นผู้ช่วยองค์พุทธเมตตาที่ออกมาให้ความช่วยเหลือผู้คนบ่อยๆเมื่อพวกเขาได้เดินกลับไปดูเส้นทางเดินเมื่อคืนนี้ก็พบว่า ต้นไม้ใหญ่ๆที่เห็นเมื่อคืนเนี่ยไม่มีค่ะมีเพียงแค่หญ้าติ่่ี้่สูงไม่ถึงเข่ามีหลักฐานว่าเป็นเส้นทางเดิมคือร่องรอยพลาสเตอร์ที่เขาใช้แล้วก็ทําหล่นอยู่ข้างทางทิศที่รถมอเตอร์ไซค์วิ่งมาก็ไม่มีนะคะไม่มีทางเป็นทุ่งหญ้าแล้วก็เป็นทางสามแยกที่ใช้ได้เพียงด้านขวาเพราะว่าด้านซ้ายที่รถมอเตอร์ไซค์เลี้ยวมาเมื่อคืนเนี่ย เส้นทางมันขาดน้ำซอะเป็นทางร่องลึกใช้ไม่ได้ก็เลยเป็นเรื่องมหัศจรรย์ที่รวมๆกันหลายอย่างนะคะก่อนลงจากภูกระดึงค่ะพี่ใหญ่รู้สึกขอบคุณไม้เท้าแล้วก็เอาไปพิงไว้หลังต้นสนใหญ่ที่สุดบริเวณกลางเต็นท์และเมื่อพวกเขากลับลงมาจากตีนภูก็แวะไปไหว้ศาลเจ้าพ่อภูกระดึงปรากฏแน่ว่าภาในศาลมีไม้เท้าสีแดงลักษณะไม้เท้าเหมือนกันค่ะกับไม้ที่พวกเขาใช้อยู่เมื่ออยู่บนภูกระดึง พวกเขาก็เลยคิดว่าเจ้าพ่อได้ไปช่วยพวกเขารายการตีไปถ่ายภาพมาเปรียบเทียบกับภาพในโทรศัพท์มือถือก็มีลักษณะคล้ายกันเป็นอย่างมากนะคะ พอกลับมาถึงบ้านแม่ของบอยค่ะก็ะออกมาเปิดประตูหน้าบ้านให้และทักว่าเอาใครมาด้วยอยู่หน้าบ้านตัวใหญ่ตาแดงเชียวบอยไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้แม่ฟังเพราะว่ากลัวโดนดุนะคะแต่ว่าได้เล่าให้พี่สาวฟังแล้วพี่สาวก็เล่าให้แม่ฟังในที่สุดค่ะหลังจากได้ยินแม่เล่าถึงความฝันช่วงที่บอยไปเที่ยวภูกระดึงฝันว่ า, วาเห็นต้นไม้ใหญ่แผล ก, กิ่งมาเหมือนกําลังไล่ต้อนเด็กตัวเล็กๆอยู่แม่บอยก็ร้องบอกว่าอย่าไปทําเลยสงสารเด็กมันในฝันก็ไม่ได้เห็นว่า เป็นบอยนะเห็นแต่เป็นเด็กตัวเล็กๆเท่านั้นเองค่ะ ในขณะที่แม่บอยนั่งคุยกับพี่สาวอยู่ก็เกิดได้ยินเสียงแแววมาว่าให้พวกมันไปขอขมากูแล้วพวกเขาก็เล่าให้แม่ฟังแม่ก็เลยพาไปทําสังฆทานแล้วก็อาบน้ำมนต์ไปนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เราคัดลอกมาจากรายการต0สิบเนะะี่ยค่ะที่เคยออกอากาศไปคุณผู้ฟังก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังด้วยนะคะเชื่อไม่เชื่อก็สุดแท้แต่วิจารณญาณของคุณผู้ฟังด้วยค่ะหมดเวลาของพระเจอผีประจําคลิปนี้แล้วนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับฟัง กด s u b c r i b e นะคะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับบีด้วยกลับมาติดตามและฟังเรื่องราวหลอนๆเรื่องราวแปลกๆแล้วก็สิ่งลี้ลับที่ยังหาบทพิสูจน์ไม่ได้จากคำบอกเล่าของชาวบ้านแล้วก็พระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายรูปนะคะได้ที่ช anel บน YouTube ช่องพระเจอผีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ